บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งธรรมานุสติคือการตั้งสติตามนาึกถึงคุณของพระธรรมที่ได้แสดงมาโดยดําดับนั้นคือข้อที่พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคยา ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการเป็นธรรมที่ควรเชิญชวนบุคคลทั้งหลายให้มาพิสูจน์มันดูได้และเป็นหลักธรรมที่บุคคลจะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่ภาวะของธรรมะเหล่านั้น ซึ่งเมื่อจำแนกตามประเภทแห่งธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วก็สรุปรวมลงในหลักของอริยศรรัสตร์ท้งสีประการคือกลุ่มของธรรมที่บุคคลจะต้องน้อมนำมากำหนดรู้ถึงสภาวะความจริงของสิ่งเหล่านั้นจนมองเห็นว่าธรรมเหล่านั้นได้แก่พวกรูปนาม ตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและกลุ่มธรรมที่บุคคลจะพึงน้อมนำมาพินิจพิจารณาเดละเสียได้ แ, แกบ่บรรดากลุ่มกิเลสทั้งหลายที่มีมูลรากมาจากตัณหาและอวิชชาแสดงพฤติกรรมต่อจิตเป็นอกุศลละมูลใหญ่คือโลภรดลง และยังแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกเป็นนั้นมากซึ่งเป็นกลุ่มธรรมะที่ทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อละโดยส่วนเดียวและกลุ่มธรรมที่เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งผู้ปฏิบัติที่ปรารถนาผลอันตนจะพึงได้รับจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมะจะพึงตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยการทำผลเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งประจักษ์แก่ใจของตน ประการที่สี่คือกลุ่มธรรมที่เรียกว่าภาวิตรธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักของไตรสิกขาหรืออริมรมยมรรคมนองค์8ประการเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมอย่างที่ทรงใช้อยู่เสมอว่าธรรมานุธรรมะปฏิปปโนคือเป็นผู้ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมแล้วพระธรรมกุลข้อสุดท้ายคือปัจจตังเวดิตะโบวินยูชิอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนก็จะบังเกิดขึ้นเรรรมข้อนี้เป็นการเชีย่ยวเห็นว่าผลของธรรมะที่แท้จริงนั้น คือผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมให้สงควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมทำไมจึงทรงใช้คำควบคู่กันไปถึงสามคำในลักษณะนี้เพราะว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นมัตเชนธรรมหรือมัชชิมาปฏิปทาเป็นธรรมะส่วนกลางๆไม่ตกไปข้างตึงและข้างหย่อน ปัญหาว่าตึงไปก็เป็นอัตกิลมัทฐานโยก ค, คือการทำตนให้ได้รับความลำบากด้วยประการต่างๆซึ่งพระพุมีพระภากเจ้าทรงปฏิเสธไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาคือการเทศครั้งแรกของพระพุทธองค์โดยทรงเชให้เห็นผลจากการทำตนให้ลำบากเกินไปว่าเป็นทางให้เกิดความทุกข์ เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ประเสริฐและไม่ทำผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นการปฏิบัติที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเป็นการลงทุนลงแรงที่ศูนย์เปล่าซึ่งผิดเป้าหมายในการทำงานทุกลักษณะของบุคคลทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าคนเราจะทำงานอะไรก็ตาม ก็ต้องมองเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนอาชีพหรือส่วนของการประพฤติปฏิบัติก็ตามแต่การกระทําที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นนี้เมื่อคืนกระทาไปก็ชื่อว่าเป็นการพร่าพรานเวลาเี่แรงสติปัญญาของตนให้สูญสิ้นไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ตกไปฝ่ายที่ย่อนจัดเกินไปซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิเสธไว้เช่นเดียวกันโดยทรงเชื่อเห็นว่าการปฏิบัติที่ย่อหย่อนคือการที่ปล่อยกายปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสะแห่งอารมณ์ที่มากระตุน้นให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินเริงหลงในอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งข้อนี้ได้ทรงเชีย้เห็นถึงสภาวะของโลกว่าตามปกติแล้วจิตใจของสัตว์โลกนั้นถูกความมืดคือโมหะหรือวิชาคุ้มข้อไปและในขณะเดียวกันก็ถูกเพลิงของกิเลสในความโลภความโกรธความหลงเผาลนอยู่โอกาสที่คนจะใช้ไปเพื่อสแสวงหาความสนุกสนานรื่นเริงด้วยวิธีการต่างต่างนั้น จึงเป็นการทำลายตัวเองเป็นศัตรูต่อตนเองดังที่รับสั่งแสดงแก่กลุ่มอุบาสิกากลุ่มหนึ่งว่าท่านทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมื่อโลกกรสันนิวาดลุกโพรงอยู่เป็นนิดพวกท่านที่ถูกความมืดคุ้มห่อไว้ทำไมไม่แสวงหาประชีพ เป็นเครื่องสองทางแห่งชีวิตเ่าเพราะฉะนั้นการปล่อยกายปล่อยใจยให้รื่นเริงเพลิดเพลิ น, พนในอารมณ์ต่างๆจึงทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนบุคคลที่หลงเข้าไปสู่สวนดอกไม้เพลินเก็บดอกไม้อยู่โดยไม่คำนึงถึงการเวลาและในที่สุดมัจจุราชซึ่งทรงใช้คำว่าอันตโก คือผู้กระทําชีวิตให้ถึงจุดสุดท้ายก็จะมาทําลายชีวิตของบุคคล น, นั้นให้หมุนกลับเข้าสู่กระแสะแห่งสงสารวัดอีกต่อไปการทําตนในลักษณะเพลินๆในอารมณ์ต่างๆจึงทรงชี้โทษเห็นว่าเป็นของต่ำเป็นเหตุให้มีครอบมีครัวมีเรื่องยุ่งยากติดตามมา เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสการปฏิบัติในลักษณะ น, นั้นไม่เป็นการปฏิบัติที่เพรฐและไม่ทำคนผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้ระเสรฐผลจากการประพฤติปฏิบัติจึงไม่มีที่ทรงใช้คำว่าอนัตสันนิโตคือไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงจำเป็นจะต้องอยู่ในฐานะของวินยูชนโดยสรุปก็คือรู้เหตรุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคำว่าวิญยูแปลว่าผู้รู้พิเศษรู้แจ่มแจ้งรู้ชัดเจนสามารถจำแนกแยกแยะถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ว่าอะไรเป็นอะไรและสามารถสงเคราะห์กลุ่มของสิ่งเหล่านั้นเข้า ในกลุ่มธรรมทั้งสี่ประการดังที่กล่าวแล้วได้เพราะอะไรเพราะในชั้นของการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถจะแยกกลุ่มของธรรมะได้ก็อาจจะไปละในตัวทุกข์ไปเพิ่มพูนในตัวตัณหาให้สูงขึ้นแทนที่จะรับผลเป็นความสุข ตามเป้าหมายของการสอนธรรมการแสดงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเป็นการเพิ่มภูมิความทุกข์ให้สูงขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้นั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะสามารถยกฐานะจิตใจพัฒนาจิตใจของตนเองให้อยู่ในจุดที่เป็นวินยูชนุนคือสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นกุศลอกุศลเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สึ่งนี่ก็อยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติตามกลุ่มธรรมะที่เรียกว่าภาเวตรปรธรรมหรือพวกภาวนาได้แก่การอบรมกระทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นซึ่งหมายความว่าความรู้ความเข้าใจในส่วนใด ย, ยังไม่มีก็ทําให้มีขึ้น ส่วนใดที่ยังทำไม่เป็นก็พยายามทำให้เป็นจึงทรงสอนเรื่องการพยายามสร้างปัญญาหรือความรอบรู้ให้บังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของการปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกำลังปฏิบัติกันอยู่นี้การจำแนกแยกแยะในรูปที่เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะ คือความรู้โดยละเอียดข่องแท้ในกรณีต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นมีความละเมียดละไมมีความประนีตจิ่งขึ้นถ้าหากว่าตัวสัมปชัญญะคือปัญญาหรือความรู้ทั่วพร้อมมีความบกพร่อง โอกาสที่จิตจะหักเหทิทางออกไปจนถึงก็หลงทางในกา ร, ป, รปฏิบัติก็มีได้ง่ายดังนั้นจึงสงสอนให้มีหลักที่เรียกว่ารู้ทั่วรู้พร้อมรู้เรื่องเหล่านั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งประการแรกคือการจำแนกแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้คำมารีว่าศาสตะกะสำบัชฉันญะประเด็นนี้ถือว่า เป็นประเด็นที่มีความสำคัญในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อดังที่กล่าวในตอนต้นเลย ว, ว่าคนเราจะทำอะไรก็มุ่งอยู่ที่ตัวประโยชน์ซึ่งตัวประโยชน์นั้นเองจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในชั้นศีลชั้นทานการบูชาหรือการบำเพ็ญเพียรด้านจิตใจก็ตามเราจึงมักจะมีคา อธิษฐานลงท้ายว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินซึ่งจะลงอย่างนั้นตลอดไปการอุบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการอุบัติขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคนตังที่เรากล่าวสวดสรรเสริญพระพุทธคุณไว้ว่า พระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์แล้วเพื่อประโยชน์ tour, เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายธรรมะทั้งหมดจึงเป็นตัวประโยชน์ที่บุคคลสามารถสัมผัสได้และทรงจำแนกแยกแยะไว้ตามสัด<ๆ>ส่วนที่กล่าวในตอนต้นคือกลุมกล่มที่ควรกำหนดรู้กลุ่มที่ควรละกลุ่มที่ควรทาให้แจ้งและกลุ่มที่ควรเจริ ซึ่งในชั้นของการใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณานั้นเจนว่ามีรายละเอียดที่จะต้องซอยลงไปอีกจุดหนึ่งเพราะอะไรเพราะธรรมะนั้นจะต้องอาศัยกาละอาศัยพื้นเพอัติยาศัยธรรมะกลุ่มหนึ่งในขณะหนึ่งอุคคลผู้หนึ่งปฏิบัติได้สามารถได้รับผลคือความสุขความสงบแต่คนหนึ่งเกิดมาปฏิบัติเข้า ไม่ได้รับผลอย่างนั้นถ้าในทํานองที่เรียกว่าลางเนื้อชอบลางกาดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงจําแนกธรรมะโดยอเนกกระยายเพื่อให้คนมองเพื่อให้คนสามารถมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ตนด้วยการปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นในกาลนั้นในชุมนุมชนเหล่านั้นตามหลักที่เรียกกันว่าสัพปริสธรรมการจําแนกให้ได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ในส่วนหยาบๆตลอดถึงในส่วนที่ละเอียดจึงต้องอาศัยปัญญาประเภทที่เรียกว่าสัมปชัญญะคือว่าคือความรู้ทั่วและความรู้พร้อมลักษณะความรู้พร้อมนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่สัมพันธ์กับการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเช่นบุคคลระลึกจะเขียนหนังสือสักตัวหนึ่ง จะเขียนสักประโยคหนึ่งเมื่อระลึกแล้วก็นึกถึงตัวอักษรสะกดการันที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ในขณะเขียนอยู่จะต้องมีความรู้ทั่วพร้อมว่าได้เขียนไปอย่างนั้นจริงๆถูกต้องตามที่ระลึกและแม้หลังจากเขียนจบไปแล้วก็รู้ทั่วพร้อมว่าได้เขียนไปอย่างนั้นจริงๆถ้าระลึกได้อย่างนี้รู้ทั่วพร้อมอย่างนี้ประโยคนั้นข้อความนั้นก็จะไม่ผิดพลาดปกครอง ในกา ร, รปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะต้องรู้ทั่วและรู้พร้อมกับอารมณ์กับเหตุการณ์กับกรณีนั้นที่บังเกิดขึ้นไม่เว่าปล่อยให้เกิดไปแล้วจึงเกิดรู้ทันคิดมาเพราะบางครั้งถ้าหากว่าความรู้นั้นเกิดช้ากว่าจะแก้กปัญหาอะไรได้มันก็กลายเป็นปัญหาแล้วข้อนี้พึงเห็น ในกรณีทั่ ว, วไปเช่นการขับรถการข้ามถนนหรือการรับประทานอาหารเป็นต้นธรรมะเหล่านี้ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสําคัญประการต่อไปจะต้องรู้ทางดําเนินของชีวิตการเกี่ยวข้องครุกครีกับ า, าสมาคมกับบุคคลทั้งหลายซึ่งทางพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงถึงสิ่งแวดล้อมของบุคคลว่ามีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ แกบุคคลผู้นั้นดังนั้นในบงคลชีวิตจึงเริ่มที่สร้างบุคคลแวดลอ้อมให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนโดยการเว้นเกี่ยวข้องคบผาสมาคมกับบุคคลที่เป็นพานและคบผากับท่านที่เป็นบัณฑิตใ น, ในชั้นของการดำเนินชีวิตยังเน้นไปถึงสถานที่เทศะบางแห่งว่าควรไปหรือไม่ควรไป ในสถานที่ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนในการเพิ่มกิเลสความกำหนัดความขัดเกืองความรุ่มหลงความมัวเมาให้สูงขึ้นภายในจิตใจก็ให้ละเว้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่กับบุคคลกับอารมณ์เหล่านั้นในชั้นของความนึกคิดคือการเที่ยวไปแห่งจิตจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตด้วยการสายไปของจิตในอารมณ์ตา่าง พระจิตที่สายไฟในอารมณ์นั้นๆเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นไหมเป็นการเพิ่มความกําหนัดเกิดเกลืองลุ่มหลงมัวเมาขึ้นไหม่เช่นความดํางดิด้วยอํานาจกามีตกไม่ว่าจะเป็นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็ต่างล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มความโลภความกําหนัดความยินดีความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นให้สูงขึ้นกิเลสที่มีอยู่เดิมก็จะได้เชือ้อปริมาณของกิเลสเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้น จิตของบุคคลจะเข้าสู่ความสงบได้ยากดังนั้นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันบุคคลจึงสามารถสังเกตได้ว่าในวันใดก็ตามที่ชีวิตและจิตใจของตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในลักษณะที่ว่าวุ่นสับสนมากและมีผลกระทบมาในทางเพิ่มกิเลสแล้ววันนั้นนั่งกรรมาฐานจะไม่สงบหรือสงบก็ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น พระอารมณ์เหล่านั้นอย่างไงอย่างไงก็ต้องค้างอยู่ภายในใจเมื่อค้างอยู่แล้วก็กลายเป็นตัวปริโพเทศคือเครื่องกังวลเครื่องเกาะเกี่ยวตัวยึดเหนี่ยวตัวฉุดดึงจิตใจออกไปจากความสงบกว่าจะต่อสู้กันได้เวลาก็ผ่านไปมากแล้วร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะนั่งในที่สุดอาจจะเกิดท้อถอยเบื่อหน่ายว่านั่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีความสงบอะไรเป็นต้น เรื่องโคโจรของกายและจิตคือทางเที่ยวไปของกายและจิตจึงเป็นปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอีกประการหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาประกอบซึ่งทรงใช้คำว่าสัพพายะสัมปชัญญะกอจะต้องรู้ความสะดวกสบายแก่อารมณ์ก็เรียกว่าความเหมาะแกะอารมณ์ เหมะกับพื้นเพอัติยาสายอินทรีย์และคุณธรรมภายในใจของตนจนเราจะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้แม้ระดับพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสแสวงหาไม่ใช่ว่านึกจะทําทความสงบตรงไหนก็ทําได้ก่อนที่จะบําเพ็ญเพียรจนถึงสัจสรุนั้นก็ได้สแสวงหาสถานที่ต่างๆที่เหมาะ ควรแก่การบําเป็นเพียรคือมีลักษณะเกื้อกูลให้ความสงบบังเกิดขึ้นจนได้ตำบลอุรเวลาเสนานิคมอย่างที่ทราบกันดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องดูเกี่ยวกับสถานที่จะต้องอํานวยให้เรื่องอาหารที่รับประทานเข้าไปจะต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะอะไรเพราะอาหารที่น้อยเกินไปนั้น ร่างกายจะกระสับกระสายด้วยความผิวเสียดแทงจะตกอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าอุทะจักุจจกุจักคือฟุง้งซ่านอาหารที่มากเกินไปจะเป็นพัตตะสมะทะคือเมาอาหารตกอยู่ในนิวรณ์ข้อเรียกว่าธีนมิธะคือมีผลกระทบในทางลบทั้งสองฝ่ายด้วยกันในชั้นของอาหารจึงต้องเป็นมัตติมาปฏิปทาที่เรียกว่ามัตตันยุตาจะพัตตสมิง คือความเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารและนอกจากนั้นยังจะต้องคือกูลคือไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพร่างกายของตนด้วยแม้จะรับประทานไปพอดีแต่อาหารนั้นเกิดเป็นอันตรายก็สร้างปัญหาทำให้คนไม่อาจหาความสงบได้เหมือนกันบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องมีลักษณะเป็นกันระยาณมิตรเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน เรื่องเหล่านี้จะต้องอาศัยความสํานึกร่วมที่จะสนับสนุนส่งเสริมต่อกันแม้นายามใดตนเองไม่มีความสงบหรือไม่มีความสามารถที่จะหาความสงบให้บังเกิดขึ้นแต่ก็ควรจะคือกูลแก่บุคคลอื่นเพื่อเขาได้รับความสงบเหล่านั้นโดยการไม่สร้างความเดือดร้อนความรําคาญขุดหงิดให้เกิดขึ้นแก่คนอนื่นเป็นต้น การแสดงออกซึ่งความเป็นกัลรรยาณมิตรจึงเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อต่อกันและตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่นํามาใช้ก็เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าต้องแสดงอารมณ์ของสมถกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานไว้ถึงเจ็ดสิบสองอารมณ์ในมหาสติปัฏฐานเองก็แสดงไว้ถึงยี่สิบเอ็ดอารมณ์ด้วยกันทั้งนี้ก็เพราะว่า ล่างเนื้อชอบลรางยาดังที่กล่าวแล้วแต่ทําไมในปัจจุบันจึงนิยมใช้หลักอนาปานสติกรรมฐานตอนนี้ก็เพราะว่าอนาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานที่สาธารณะทั่วไปแก่อารมณ์ทั้งหลายแกจริตทั้งหลายได้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ก่อนการสัตวรุปเป็นกรรมฐานที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วนิมิต ในกรรมฐานจะไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจของบุคคลและจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีความส ง, งบประณีตเย็นได้ในเวลาเร็วและจะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ภายนอกได้คือเมื่ออารมณ์ที่เป็นข้าศึกแ ป, กปรปลอมเข้ามาจะโต้กลับอารมณ์เหล่านั้นไปได้ในเวลานวดเดียว แล้วเป็นฐานที่จะให้เกิดความสงบสูงขึ้นได้มากดังนั้นเวลาทรงแสดงในรูปของอานิสงส์จริงๆจะทรงแสดงอนาปานสติไว้กับเมตตากับพรหมิหารไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากในชั้นของสมถะกรรมฐานเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะทั้งสองกลุ่มนี้พรหมิหารทำให้จิตเย็น อนาปานสติทําให้จิตสงบนิ่งเป็นปัจจัยให้สงบจากนิวรธรรมทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจริตของคนที่ทรงจําแนกระแสดงไว้ถึงหจริตนั้นยังไงยังไงก็เป็นเรื่องของความตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นด้วยความฝังใจปักใจอานาปานสติเป็นค่าศึกโดยตรงต่ออารมณ์เหล่านั้น ดังนั้นจึงใช้ได้แม้แก่คนที่มีจริตแตกต่างกันและประการที่สำคัญก็คือว่าความเป็นผู้ไม่หลงข้อ น, นี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึง้งอย่างที่ได้แสดงมาแล้วว่าแม้คนที่ปฏิบัติพัฒนาจิตใจมันโดยลำดับโดยปรับมาจากสีนเป็นสีนวิสุทธิ ดำเนินไปขั้นของสมาธิถึงจิตวิสุทธิใช้ปัญญาแยกแยะพินิษพิจารณามองขันธ์าหรือนามรูปให้เห็นความจริงตามประจัยลักจนสามารถขจัดความเคลือบแคลงความลังเลสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนานะต่างๆที่มีอยู่ในการทั้งสามได้แต่พอถึงชั้นที่จะเลือกทางดำเนิน เพื่อเข้าสู่ความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับนั้นกลับมีวิปัสสโนกิกเลสเกิดขึ้นมาภายในใจดังที่กล่าวเมื่อหลายวันที่แล้วมันเกิดขึ้นได้ถ้าปัญญาของบุคคลไม่แหลมคมจริงๆก็ต้องหยุดหยุดเพลิดเพลินอยู่กับวิปัสสโนภิกเลสเหล่านั้น ดังนั้นการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนจึงต้องมีปัญญาควบคู่กันไปทุกขั้นตอนเหมือนกับการเดินทางของบุคคลจะมีจะต้องมีประที่เป็นเครื่องส่องทางอยู่ด้วยไปยิ่งทางที่มีความลาดชันจะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนอกจากจะมีแสงสว่างแล้วจะต้องมีความระมัดระวังสูงซึ่งหมายถึงว่า ตัวสติสัมปชัญญะและความพยายามจะต้องทำงานลักษณะสัมพันธ์กลมกืนกันสนับสนุนกันด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่กล่าววนี้ย่อมสร้างฐานะของตนเองจิตใจของตนเองให้บรรลุความเป็นบินยูชนคือผู้รู้วิเศษผู้รู้แจ่มแจ้งผู้รู้ดี ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดแสดงไว้แล้วทั้งโดยชั้นของกะของปริยัติชั้นของการปฏิบัติและการสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้ น, น, นตามสมควรแก่ธรรมอันบุคคลแต่ละคนได้ประพฤติปฏิบัติแล้วต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อ